<c oughs> วันนี้จะได้เปิดเสียงธรรมภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาให้พวกเรานั่งสมาธิฟังก่อนเดียวถึงตรงนั้น <c oughs> ความเป็นธรรมชาติ พระเจ้าพระสงฆ์เข้ามาศึกษาใหม่ฝึกใหม่ก็มีหลายท่านหลายองค์จะหลออถึงศรัทธาญาติโยมเข้าใจในแนวทางปฏิบัติก็มียังไม่เข้าใจก็มพีถึงยังไงยังไงก็ให้รู้จักหน้าที่ของพวกเรากแล้วกัน หน้าที่ของพวกเรามีหน้าที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทาไมพระพุทธเจ้าจึงสอนรักษาศีล ร, รักษาธรรมหรือปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนใคร สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมพวกเราเข้าด้วยฉะนั้นเมื่อรวมพวกเราเข้าด้วยสาเหตุที่พวกเรามีความจำเป็นเกี่ยวต้องฟังคำสอนต้องปฏิบัติตามก็คือภายในจิตใจของพวกเราะนะนั่นน่ะมันมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย รุนแรงแล้วไร้ที่สุดหลักธรรมะทว่าจกิเลสโลภโกรธหลงและตัณหาตัณหากลุมทะเยอทยานอยากถ้ามาภสานกับกิเลสโลภโกรธหลงอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเพียงแค่ใจมันนึกมันคิดเมือนกัเป็นทุกข์ให้เห็นได้ชัดอยู่แล้ว ถานึกคิดแล้วทำทางกายการกระทำตามความนึกความคิดที่ชิเหรตันหาผานึกพาชจิตทอดรุนแรงแลวลว้ายเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเหมือนกระตกตลกทั้งเป็นนั่นแหละควรไหมที่น่พวกเรา ใจของพวกเราไม่ปรารถนาความทุกข์ขึ้นชื่อว่าความทุกข์จะมากจะน้อยไม่มีใครต้องการฉะนั้นเมื่อไม่มีใครต้องการความเป็นทุกข์นี่แหละจึงว่าให้มีความสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า อันดับแรกศีลจะเป็นศีลของพระศีลของแนนศีลของแม่ขาวนางจีอุบาสุกอุบาสิการะดับไหนก็เถอะท่านบอกอานิสงศีเลนสุขะเิงยันติทำไมจึงมีอานิส่งอย่างนั้นกับเพราะปฏิบัติศีลคืองดเว้นจากความชั่ว ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเราไม่ทําเราไม่พูดเราไม่เช็ดเราไม่เช็ดเราไม่ทําเราไม่พูดตามความชั่วตามกระแสกิเลสตัณหาความทุกข์มันก็ไม่เกิดถ้าเราทําตามความชั่วกิเลสตัณหาที่มันสั่งให้กายวาจาใจของเราทําตามมนะันน่ะทำน้อยเป็นรุกน้อย ทำมากเป็นทุกมากอันนี้ให้ศึกษาเอาไว้อย่างศสียขาบทของพระของเราเนี่ยปาเดือกเสีพระพุทธเจ้าห้ามอะไรสังคาธที่เสียทิบสามพระพุทธเจ้าห้ามอะไร อนยศสองพระพุทธเจ้าห้ามอะไรนิ้อจิีปาจิตีสามสิบพระพุทธเจ้าห้ามอะไรปาจิตีเก้าสิบสองห้ามอะไรต้องดูจากตำราปจิเ ท, ทริยสีส่เสจิวะเจ็ดสิบห้าทิกรณะสัมมาถาเจ็ดก็เหมือนกันรวมล้วสินสองร้อยยีสิบเจ็ดขอบเบตเตเล็นนอกนั้นทีนี เกี่ยวกับกิลยามารยาทของสมณะของพระของนักบวชกิลยามารยาทของสมณะของพระของนักบวชเสียนคือความเรียบร้อย <c oughs> ไม่ว่าจะเพราะที่เป็นพระสงฆ์องค์ไหนแม่ขาวนางกีหรือผู้ปฏิบัต ศีลปฏิบัฏธรรมอยู่ในวัดความเรียบร้อยในกิริยามารยาทความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามศีลธรรมศีลธรรมที่พวกเราพูดกันอยู่น่นนะอย่าพูดแต่ปากอย่าเอาแต่ตำรามาพูด สิ่งที่ท่านว่าเอาไวนะ้น่ะสิ่งที่พวกเราพูดนะ่ะหมายทั้งกิรลยามารยาทของพวกเราผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้นึกถึงตรงนี้ไม่ทราบว่าเจ้าอะไรบาเป็นเครื่องแก่ แก่อะไรแก้ความทุกข์สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่มีในจิตใจของพวกเราอันนั้นก็คือกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั่นเองเชื่อเถอะตรงนี้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะถ้าเรามีความเชื่อมั่นนะัะนเราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้ ทุกอย่างพวกเรามีความสามารถทำได้ปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้ดีผลความดีมันจะปรากฏขึ้นแล้วการทำความดีของพวกเราที่นี่มีอะไรเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติดีทำดีก็เอารักษาของศีลของธรรมนี่มาเป็นเครื่องวัด ถ้าผิดจากลักษณะของศีลของธรรมจะว่าดีขนาดไหนมกักมีแต่คำพูดควรไหมทีนี่พวกเราจะมาปฏิบัติตัว <c oughs> ม่ได้อยู่ของสมณะนักบวชกิริยามารยาทสมณะแปลว่าพวมีความสงบพระแปลว่าผู้ประเสริ ประเสริฐในลักษณะของศีลของธรรมดันั้นหน้าที่ของพวกเรา <c oughs> ต้องดูแล้วดูอีกดูความนึกความคิดเพราะความนึกความคิดนถ้าจิตใจของเราพาจิตเกเรานึกคิดเองใจของเราถ้าเผื่อพาจิตนึกคิดเอง สิ่งที่มันดีมีประโยชน์เออเราอยากจะไปเดินจงกรมเราอยากจะนั่งสมาธิเราเจอจะมาสะละทาวัดปฏิบัติสิทปฏิบัติธรรมอันนี้ใจของเราผ่าจิตจิตความนึกความคิดอันนี้เป็นกุศลเป็นบุญวัฒนะาบารมีแล้วก็มาแล้วก็ทำตามมันก็กลายเป็นความดีเกิดขึ้นกับพวกเราจากปริยามนยาะ เอาทีนี้ต่อไปให้พวกเราตั้งใจฟังเสียงธรรมมาฝากปฏิบัติขององค์หลวงตาต่อไปที่เนี่ยในโลกไม่ต้องว่าเรื่องโลกของสัตว์เราพูดเฉพาะโลกมนุษย์เรา ทั่วโลกสมมติแบบนี้มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเต็มไปหมดส่วนญาแม่ขนาดเดียว หมอแม่คนเดียวที่จะรักษานำมารักษาและตรวจรักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมายฝากความหวังฝากชุยดิจิตใยฝากความพึ่งเป็นพึ่งตายไว้กับใคร ก็เหมือนกับคนตกหรือตมอยู่ในน้ำมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรก็มาพอจะเป็นที่เกาะที่พึิงจรงก็มีแต่ตมท่าเดียวเท่านั้นคอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงในเมื่อเวลาหมดกำลังแล้วเท่านั้นคนเป็นโรคทั่วทั้งแผ่นดิน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 โลกมนุษย์เดี่ยวมีค่ามีความหมายอะไรบ้างไม่มีเลยรอแต่วันตายจากการจากความทุกข์ความทรมานตนตัที่เต็มฐานถึงกับขั้นผนไม่ได้แล้วรอเพียงลมหายใจสิ้นสุดหลงเท่านั้นการอยู่ก็อยู่ด้วยกัน พอรมานด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะอยู่ได้เป็นความสงบสุขในทางร่างกายเลยมีแต่โรคภัยชนิดต่างๆเหยียบย่ำทำลายหาหยุดหายาแนมนิดนึงที่จะมาเกี่ยวยารักษาหาหมอแม่คนหนึ่งที่จะมาถามและมาตรวจตัวการเป็นยังไงบ้างไม่มีเลย ม, มนุษย์ทั่วโลกก็เป็นมนุษย์ที่ไร้ความหมายกลายเป็นเรื่อง กองเพลิงประลุดกันหมดกองเพลงมีความหมายอะไรบ้างไม่มีความหมายอันใดเลยเป็นปืนเป็นไฟไปจำตัวอยู่ตลอดเวลาโรคกับกายมนุษย์กับใจมนุษย์ทำไมจะไม่เป็นปืนเป็นไฟเถ้ารบ้บนดิบตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสิ้นลมหายใจโลกนี้มีความหมายแล้วหรือเมื่อเป็นเช่นนั้น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 ที่จะหวังได้หายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอนั้นนั้นนี่ถ้าโรคมีมียามีหมอรักษาค่อจะมีความหวังและมีหวังหายได้ที่นี่โรคภายในจิตใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้กันเต็มไปหมดทุกรูปทุกนามกระทั่งถึงสัตว์เลี้ยงสั โรคอันนี้ไม่เย็นแต่ละลายละลายที่จะไม่มีเมื่อปลากฏตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นทพเป็นชาติขึ้นมาก็เท่ากับปรากฏโรคนั้นขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะโรคช น, นิดนี้พาให้สัตว์เกิดโรคชนิดนี้พาให้สัตว์ได้รับความทุกข์พละมาณโรคอันนี้พาให้สัตว์ได้เกิดแก่เจ็บตาย เรียนว่าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะโรคประเภท น, นี้ทีนี้เมื่อไม่มีศาสนาเลยเป็นอย่างไรบ้างนันโรคเป็นหัวใจของตับแต่ไม่มียารักษาไม่มีหมอตรวจเลยทีนี้เป็นอย่างไรนี่ท่านเรียวกว่าโรคสุนยกักษกะหาศาสนาไม่มีเลย เมื่อเป็นฉะนั้นต้องตรวจร้อนที่สุดเพราะการเยียวยารักษาด้วยยาไม่มีหมอคอยตรวจคอยดูแลรักษาไม่มีแต่ส่วนของสแสลนั้นเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกกับโรคประเภทที่เหล็กัญหาอาชว่าเหล่านี้จะผักใสเข้าสู่แต่ของสแสลอย่างเดียว มันไม่มีทางที่ว่าจะผักใสเข้าสู่ยุดสุยาสูหมอคืออัรรมเพราะนิเรศจับทำเป็นค่าสูตกันมาแต่การไห น, ไหนจะยิเรศจับมีความยินดีให้ตัดทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของตนได้หลุดลอยออกไปจากอำนาจเพื่อยุกเพื่อยาเพื่อศาสนาคืออัตธรรม อ, อย่างไรได้ด้วยเหตุนี้ กา ร, ป, รปฏิบัติแม้เราเกิดในท้ำกลางแห่งพุทธศาสนาถึงกับบ้านมาตนนักบวชและปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามากะ ก, การปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายที่เป็นคุณงามความดีจึงต้องมีความลำบากฝืนใจอยู่นั่นแหละไม่มากก็น้อยต้องฝืนอยู่เจนได้เพราะความฝืนที่จะทำให้ สิ่งที่จะทําให้ฝืนมันขัดขวางอยู่ภายในใจต้องแบวกต้องว่าต้องบุบเบอร์สิ่งที่จุดฝังนั้นออกเพื่อการดําเนินในความดีทั้งหลายได้มากน้อยตามกําลังความสามารถของตนหากมีแต่ทำํำล้วนแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องจุดขฝัง ไม่มีอะไรมาทําให้เกิดความรู้สึกอ่อนแอพ่อแท้เหลวไหลภายในจิตใจแม้แต่น้อยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชือโรคอันสําคัญสำคัญที่คอยกัดจีนหัวใจทั้งๆ ท, ที่เกิดขึ้ที่หัวใจก็กัดตายจินใจอยู่นั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้กล่อนไปจนกระทั่ง กป็นเศษเหลือละราเป็นดินไปตามธรรมชาติของหมาดได้โดยไม่ต้องสงสัยโรคที่นี้เกิดขึ้นภาณใจิตมีอยู่ภาณใจิตของสัตว์ทั้งหลายจึงต้องทำการจีดการขวางนวงใจอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นตกปิสุขไม่ได้การฝ่าฝูนการอดทนต่อการชำระล้างสิ่งเหล่านี้ จึงต้องเป็นความลำบากเพราะกิเลสพาให้ลำบากลําบนทั้งหมดไม่ใช่ทำพาให้ลำบากหากใจนั้นได้เป็นธรรมล้วนแล้วเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏเลยนะทั้งทั้งที่จิตดวงนี้แต่ก่อนก็อยู่ในท่างกลางแห่งมรสุม ของฝากของหนามดังที่กล่าวมาแล้วคือตรงนี้ทั้งนั้นไม่ไม่มีคําว่าสะดวกสบายธรรมชาติอันนี้มีมากอย่างไรภาราจิตใจยิ่งทําให้จิตใจนั้นยกตัวไม่ขึ้นแต่ก้าวเข้าสู่ความเพียรก็เหมือนจะล้มจะตายไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดจะเดินจงคมจะนั่งสมาธิกับภาวนาจะลึกอับลึกทำเป็นพุโทธโธธรรมสังข์ เหมือนกับยกฟูงทั้งท่อนหลังก่อจะหวกวักเซลก็จะขาดอวัยวะทุกส่วนรับตุบลอยไปหมดเพราะความหนักนก็ธรรมชาตินี้แหละพาให้หนักไม่ใช่ธรรมชาติไรยาวอยาเข้าใจว่าธรรมพาให้หนักธรรมแท้ไม่มีอะไรหนักเมื่อจิตก้าวผ่านท้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ธรรมดังที่กล่าวแล้วนั้น เราก็ไม่ปรากฏเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายใน จ, จิตใจความลําบากความยากความคุกอินหาละอาใจอะไรไม่มีเหลือเลยจึงทาพได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวภัยทั้งนั้นนะระเพราะฉนั้นขอทุกๆ ท, ท, ท่านพึงจาไว้ให้ลึกอย่างฝังใจว่าการลําบากลําบนเหล่านี้ อยู่ในระหว่างแห่งการแบกป้ายของตนที่จะพ้นจากความจากน้ำจากพิจารไัยที่เรียกวามหาภัยมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยนี้จะยากลําบากเพียงใดก็ยากเพื่อการตะเกียรตะกาให้เล็ดลอดออกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องี่่องขวาง่วงใจให้รับความลําบากลาบุเลยเป็นธรรมชาติที่เวิ้์งวาง ไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวไม่มีอะไรมาบีบบังคับเหมือน ต, ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากน้อยเลยมีอยู่มากกดมากท่วงมากทาความทุกข์ความทรมานแก่จิตใจมากมีขนาดไหนกดท่วงขนาดกดท่วงขนาดตามกำลังของตนมีน้อยก็กดท่วงน้อยไม่มีเสียเลยเพราะการทาละสาสาเพราะการฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนทิพหายแบบตัวปหมุ ไม่มีอะไรเหลือค้างอยู่ภายจิตใจเลยจะไม่มีอะไรที่กล่าวมาทั้งหมดติดแนบอยู่นในจิตใจแม่นิดหนึ่งก็เหลือตั้งแต่ความเบิงว้างแต่ว่าอุดจิสละก็ อ, อิสระเลยธรรมดาคือเลยสมมุติสลับเบิงว้างก็เบิ่งว้างเลยสมมุติเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยได้อย่างถึงใจว่าเป็นโทษเป็นมหันตทุกขมหันตโทษได้อย่างถึงใจดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศรรมสั่งสอนสัตวโลกทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทยัยจริงเพราะพระ อ, องค์ทรงประสบพบเห็นมาทั้มากต่อมากแล้วทั้งโทษทั้งมหันตโทษตโทษมหันตทุกแต่ละพบพละชาต ที่ธรรมาชาติธรนมนิสร้างขึ้นมาให้รับความทุกข์ทรมานพระองค์ทรงทราบอย่างพระจักพระไถ่เมื่อได้ตดรัสรู้แล้วจึงสามารถซองมองทะลุไปหมดไปหมดทั้งสาเหตุให้เกิดโทษทั้งตัวโทษตัวภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคประเภทเรื้อรังโรคประเภทสัมใจโรคประเภทเหยียบย่มทำลายจิตใจของตัดเีงพระองค์ทรงทราบได้พระจัก ทรงแนะทรงแนะนำสั่งสอนสัว์โลกด้วยความถึงพระไถ่เต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนๆคำว่าสวขาตธรรมจึงเต็มแม้เต็มหน่วยเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายโทษไม่ว่าโทษต่อเพืดใดจนถึงขั้นมหามหารตะโทษมหาันตะทุกข์ก็ทรงทราบโดยตลอด ถ, ถึงคำว่าสุขพอจกนกระทั่งถึงบร ม, มสุข ระทรงประจักษ์พระไทยอย่างตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นการแนะนําสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หมดสดเต็มไปด้วยความถูกต้องแน่นดั่งเต็มไปด้วยพระเมตตาสงสารล้วนๆแก่สัตว์โลกถึงใจสัตว์โลกผู้ต้องการอัตการธรรมผู้กําลังตะเกียกตะกายตนและพ้นจากไทยอย่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ ด้วยเหตุนี้พวกอุคติตันญูวิปปิตันดูซึ่งเป็นผู้เห็นภัยอยู่แล้วเตมหัวใจแต่ไม่มีทางออกเพราะไม่มีอุบายไม่มีผู้มาแนะนาสั่งสอนเพียงได้รับเท่าทีาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยกขึ้นเพียงย่อๆท่านเหล่านี้ก็ฟ้าทันทีเลยยึดเ่อะติดสลัดตนออกจากทุก โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่เนิ่นนานเลยเพราะกำลังของใจที่เคยเห็นโทษมามากต่อมากแล้วและเห็นคุณค่าแห่งความหุดพ้นอย่างแท้จับใจจึงมีกำลังรวมกันเข้าเป็นความสลัดตัด ท, ทิ้งอย่างถึงใจและพ้นไปได้ถึงบร ม, มสุขมีพวกกุปติกันอยู่วิปติกันอยู่ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆ แล้วก็รับตอบรับกันกันกบพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้แล้วเนี่ยคําว่าสวัจธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทําให้ซึ้งถึงใจเข้ามากน้อยอย่างไรศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกบททุกบาทจะซึ้งซึ้งทุกบททุกบาทไ ป, ไปเลยทรงกระทั้งใจให้ถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์ธพิพุตติภานทั้งเป็น ประสบร้อนอ น, นี้ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าบทใดบากใดจะมีคุณค่ามหาศาลมีคุณค่าอย่างถึงใจถึงใจกราบว่าอย่างนิตไม่มีจิตขณะใดที่จะมาลบล้างที่จะมาแข็งกระด้างกระเดื่องต่อศาสนาธรรมของพระเจ้าเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นกับศาสนาธรรมพิส แสดงบอกทั้งเหตุทั้งผลนั้นกลมตนนืนกันกับใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นอย่างแยกไม่ออกเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันนี่ลหละสาวกทั้งหลายที่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านเชื่ออย่างนั้นยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมคู่ยอมรับอย่างถึงใจด้วยความจริงจนส่วนภายในใจของท่าน <c oughs> แล้วอยากให้มูอเพื่อนที่มาศึกษาอบรมนี้ ได้รู้ได้เห็นธรรมของจริงซึ่งประกาศกังวานอยู่ภายในวงล้อมของกิเลสทั้งหลายคือภายในจิตใจของเราเองเวลานี้กิเลสประเภทต่างๆมันปิดกั้นศาสนธรรมที่ประกาศกังวานความจริงอยู่ภายในใจนั้นให้ไม่มีกระแสเสียงออกมาได้พอจะรูย้ยิ้มยิ้มแย้ยแย้ว่ากิเลสเป็นไถยนอกจากเสียงของกิเลสกังวานพุวมพ้น เสียงอัดเสียงธทำนั้นไปเสียวันน่ารักแค่หน้าชอบใจหน้าเปลียดหน้าโกรธหรือเปรียดหรือโกรธหน้ารักหรือรักหรือชังหรือโลกหรืหลงมีทั้งเสียงของกิเลสเต็มหัวใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาไม่มีเสีงอัดเสียงธทำที่จะเป็นคู่แข่งแย้งกันบ้างเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องจมอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้เพราะว่ามีกระแสเสียงธรรมเข้ายุ่แย่งแข่งดีกันกับเสียงของกิเลส นี่เราเกิดในท่านกลางแห่งพระบุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังแล้วเสียงธรรมโคบแทรกเข้าไปบ้างแล้วแ่าจะเป็นเสียงธรรมด้วความจดจกาก็ตามก็จะเป็นไปเพื่อความจริงคือภาคปฏิบัติเราให้ฟามอย่างถึงใจฟังธรรมะปฏิบัติอย่างถึงใจยี่งเดชทาลายเราทรมานเรานี่ทำลายอย่างถึงใจประทานบั่นไหวไม่มีอะไรที่จะบวันไหวยิ่งกว่าพิเดชทําความระทกสะเทือน หรือทําความลําบากทรมานแก่เราจนถึงขั้นหาตมหารตทุษภาในาจิตใจเหมือนเป็นไปทั้งกองนี่โทษของกิเลสถึงใจขนาดนั้นทําไมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมธรรมเป็นเครื่องที่จะรือถอนกิเลสทำลายกิเลสให้สะเทือนสะท้านโลกธาตุแังไหวได้เช่นเดียวกันกับกิบเลสทำสัตว์โลกทําไมเราจะไม่สามารถนำธรรมที่เป็นเครื่องปราบกิเลสให้ล่าภาพสะเทือนระทานทั้งโลก ในโลกทั้งสามนี้ให้หมดระจากใจได้แล้วเอาให้จริงในการปฏิบัตินี่ถ้าเก็พูดถึงเรื่องกิเลสเป็นตัวจัดตัวบุคคลเหมือนเร า, เราท่านท่านนี้เราถือเป็นกิเลสนี่เป็นคู่เดือดคู่แค้นอย่างเป็นถึงเป็นถึงตายไม่มีขณะใดเลยที่จะรอกับกิเลสว่าไม่ต่อกอนกันให้พินาศใขนขณะนั้นกิเลสไม่พินาศให้เราพินาศพอเจอกันครับจะโดดจะกำถางกันทีเลย แม้รับทานอยู่ก็ตามหรือถ่าอจะระติตปัสสาะกรรมอยู่ก็ตามเมื่อมองเห็นกิเลสแล้วลืมไปหมดอันนี้เพราะความเทียงแค้นอย่างไรก็ต้องเอากันให้พังทันทีนี่เป็นข้อเทียบเทียมทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะนั้นเป็นตัวมหาภัยเป็นตัวมหาภัยให้มันตุกแกเไม่ใช่ให้สาระคุณอนไดเลย แต่เราพอที่จะได้ยกได้ยอ่อได้กราบไหว้สมณะเสด็จนั้นมันเป็นค่าศึกต่อความฝุกอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่เป็นค่าศึกยิ่งกว่าจิเลศประเภทต่างๆเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อเราเมื่อเตอกันเข้าทําไมสมเสด็ น, นั้นคนเราเมื่อเกิดความเัดยรแย้จ น, นถึงใจแล้วไม่มีเว้นอฆ่าได้คิดหายายกวงอันนี้ ก็เช่นเดียวกันเราปลูกเป็นประโยคนปลูกเป็นปุกาลาธิฏฐานขึ้นมาระหว่างกับพิเรกกับธรรมเป็นเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าว่าโพธังคัตวาสุขขังเสติมัน่าความโกรธไปแล้วอยู่เป็นสุขก็โพสังคัตวาสุก ข, ขังเสติอราคังคัตวาสุก ข, ขังเสติมันเหมือนกันหมดความโลภความโกรธความหลงสุขคัตวาสุขขังเสติเหมือนกันหมด ค่าความโลภความโกรธความหลงความรักความสัง่งอันเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วเป็นความสุขนขะ ค, คําว่าค่าฟังดูท่านแย ก, แยกออกมาเป็นเหมือนเป็นบุคลาพิฐานเหมือนกันค่านะเพราะอันนี้เป็นตัวภัยอย่างยิ่หัวใจของตัดโลกข้ออย่างยิ่งในหัวใจของเราแต่เพ่งกรอมมันนั่นที่มันสําคัญมากจึงได้แนะแแล้วนะเล่าอุบายวิธีที่มันสอดแทรกขึ้นมา แม้เราจะพยายามบำเพ็ญทำปฏิบัติฟื้นสติปัญญาขึ้นมาได้มากน้อยอย่างไรก็แม้พ้นที่มันจะเอาสติปัญญาของเราไปต้มไปแจงมาอสู่เรารับทานซะอีกสู่เรากินซะอีกเลยไม่รู้ว่าเรานี่กินปัญญาของตัวเองอถูกกิเลสต้มมาให้กินเช่นเดียวกับเขาขโมยไก่ในเล้าไก่เจ้าของนั่นแหละบอกเขาไปขโมยหาขโมยไก่มาให้กินเขา โจรลงไปขโมยเอาไก่มาเล้าจ้ของมาต้มให้เจ้าของกินเจ้าของยังไม่รู้ว่ากินต้มไข่ของตัวเองยังคิดเินแต่ว่าเขาไปขโมยจากบ้านไหนมามาให้รับทางยังกินเคนอยู่ทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนการที่เรียกมันเอาศรัทธาเอาวิริยะเอาสติธรรมปัญญาธรรมอุสาหธรรมขันติธรรมที่จะปราบมัน ไปเป็นอ า, อาหารต้มแกงมาให้เรากินแต่อีกเรายังไม่รู้ว่าพิเรศมาคว้าเอาตับเอาปอดเราไปต้มมาสู่เรากินเรายังกินเพินอริดอร่อยในเนื้อในหนังในตับในปอดของตนอย่างเพินโดยไม่รู้เลยว่าพิเลศมันเอาไปต้มเอาของเจ้าของนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเอาสับเอาไตให่ปรุงของเรา เอาหมักห้วใจเราไปต้มให้เรากินเรายังอร่อยเพลินอยู่ได้นี่ขนาดนั้นหนักยี่เหลือแหลมคมไหมฟังที่ท่านทั้งหลายละเอียดไหม่ถ้าเราอยากจะทราบแล้วคําที่กล่าวเดี่ยวนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกทุกท่านนะผมตายไปแล้วท่านทั้งหลายจะกังวานขึ้นพันในจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปฏิบัติตามคําที่ผมเนะผมบอกอยูเวลานี้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 พินาศตัดโลไม่มีอะไรเหลือนี่แหล ะ, ะสติปัญญาของพระพททุทธเจ้าที่นำโทษของกิเรสเอาโทษของเดชมาแผ่กระจายให้โลกทั้งหลายได้เห็นผลของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาก็คือพบคือชาติ เ, เกิดเจ็บเกิดตายได้รับความทุกข์ความลําบากนี่เป็นผลของมันอย่างดําดาบถึงได้อย่างชัดเจนสาเหตุตัวที่มันเป็นผู้สร้างนั้นพระองค์ก็นำออกมาแสดงให้รู้เห็นอย่างชัดเืนด้วยก่ะมีเพราะ ถ้าสติปัญญาของพระองค์สามารถแก่กล้าเป็นที่แล้วพิเรศประเภทใดๆจะมีความเฉลียวฉนาดแหลมคมเพียงไรก็าตามถ้าสติปัญญาของผมยังแหลมคมยิ่งกว่านั้นสามารถฟาดฟันหั่นแหลกพิเรศให้แหลกแตกกระจายไปหมดจึงได้นําธรรมะมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายด้วดังนี้ นับว่าเรามีอํานาจมีวาสนาบุญญาภิสมภามได้เกิดมาท่ามในท่ามกลางแห่งศาสนาได้ยินบี้แววของอัดของถามนั่นยังมีตำลับตาลาเป็นครูเป็นอาจารย์ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนําสั่งสอนเราด้วยอเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนอยู่เวลานี้ผมผู้กงกงผมไม่ได้สงสัยในคาสอนทั้งหลายที่สอนท่านทั้งหลายนี้ว่าได้หยิบได้ยืมมาจากที่ไหน เอาออกมาตามหลักความจริงที่มีอยู่กับทุกคนนั้นเนี่ยเมื่อสอนกันดูเวลานี้ไม่ได้รุนไม่ได้ดาวสอนตามความสัตย์ความจริงที่เป็นมาอย่างไรกิเลสมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้จริ ง, รงดังที่ว่านี้สติปัญญาเพิดขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาให้เห็นอย่างที่ว่านี้เค่นเดียวกันทาไมกิเลสมันจะาแหลมคมขนาดไหนมันต้องพังจนได้มันแหละไม่มีอะไรเหลือ ทำเท่านั้นที่เหนือโลกท่านเพูดว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกเนไม่ทำเหนือโลกจะกราบทําได้ลงสนิทเหนือถ้าทําเหมือนโลกโลกเหมือนทําให้จําเป็นต้องกราบทํานี่ก็เพราะทำเหนือโลกถ้าพูดถึงปาเหตุแก้สิ่งที่ผูกพันอยู่ภายในจิตใจก็เหนือโลกก็เหนือกิเลสที่เรียกว่าเป็นสมมติอันหนึ่งเหนือโลกจนกะทั่งหลุดพ้นไป ด้วยสติปัญญาที่แหลมคมเตี้ยงไกลที่สุดวิเดียรไม่อาจเชื่อมได้เลยยอมหมอบราบนั่นเรียกว่าทำเหนือโลกทีนี้วิมุตติธรรมคือความบริสุทธิ์ต้นรวนที่ปรากฏขึ้นเพราะอํานาจของสติปัญญาที่ทันสมัยก็เหนือโลกนั่นนี่จะสิ่งที่เหนือโลกอยู่อย่างสาบายหายกังวลทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต้องไปกําหนดถึงพบถึงชาติที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหรความลักความทางความเกียดความโกรธซึ่งเป็นตัวขเนียดจันเลยขยาดหัวใจเหยียบย่ําหัวใจตลอดเวลาท่างธารลังกันหมดหรืออาจะความอิสระโดยหลักธรรมชาติของิงเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อยู่ในท่กากลางของสมมุติก็ไม่ใช่สมมุตริรู้แบบสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติสุกอย่างสมมุติอยาอยู่ในท่กากลางแห่งสมมุติก็ไม่ใช่สุขในสมมติเป็นบร ม, มสุก เนี่ยคุณค่าแห่งการปฏิบัติทำของพระรูญเจ้าที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนเขาในจุดนี้ทั้งหลา น, นสอนเพื่อใครสอนเพื่อเพื่เราทั้งหลายซึ่งเป็นมหันตทภพมหันตโทษถูกตรองตามจากวิเดททั้งหลายประเภทต่างๆเต็มหัวใจเรายังไม่ตื่นตัวอยู่เหรอจะตื่นเมื่อไรตายแล้วมันหมดคุณค่าหมดราคาไม่ใช่ทางต่อสู้เวลาตายการตายไม่ใช่การต่อสู้ การต่อสู้ก็คือความภาคเพียรมีอะไรทุ่มลงตายยาเสียดายยาสงสัยในเรื่องพบเรื่องชาาดเรื่องโลกสมมติมุม่มตื่นตามาเช้าก็ตาก็เห็นหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสมาตั้งแต่วันเกิดเฉพาะปัจจุบันนานชาตินี้มีอะไรเป็นสิ่งที่แปาลกปราดพอจะให้ติดอกติดใจพอจใช่เป็นของอศัศจรรย์ที่ให้ติดให้เพลินยุนไม่มีวัน ลืมหูดุมต า, า, มาธรรมะท่านประกาศสอนไว้ตุตลอดเวลาทําไมจึงไม่ถึงใจเราโงูห้าโซ่กิมานันโดนิจังปัตติเตสติอันตาการเลยนะโอนะถาปณิปังนะเวสทะก็โลกสันนิวาตนี้มันเต็มไปด้วยฟื น, นด้วยไฟที่กิเลสก่อขึ้นมาเผาสัตว์โลกให้รุ่มร้อนอยู่ทุกพบทุกชาติทุกแห่งทุกฝนตำมนหมู่บ้านไม่ว่าในน้ําบนกบกซั์มีที่ไหนกองทุกมีที่นั่น แล้วทำไมาบากเพื่อเกินมาหัวเราะกันอยู่ทำไมไม่จึงไม่สอบแสลงหาที่ขึ้นนี่เมื่อแ่ออกจากธรรมบทนี้ท่านปูกสัตว์ทั้งหลายเพลินกันหาอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมาตั้งแต่ดั้งเดิมแม้ในตัวของเหล่านี้ก็คือก้อนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตื่นมันอะไรดินก็รู้ว่าดินเหยียบย่างแต่ก็มีแต่ดิน เท้าที่เหยียบลงไปก็เป็นดินนยนั่งอยู่เวลานี้ก็เป็นดินเป็นน้ํามันก็เหมือนอขี่โคลนที่ผสมด้วยน้ําแชแฉะนั่นแหละในตัวของเรานี่เต็มไปด้วยธาตุน้ําส่วนข้างแข็งก็ตกเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้ก็ก็เป็นธาตุน้่น้ําที่ซึมซาบในสกุลนาณนี้ก็เป็นธาตุน้ํามันก็เหมือนกับเราเอาขี้โคลนเหลีวขึ้นมาปั้น เป็นสัตว์เป็บุคคลสมาตื่นที่โคลนเลี้ยวนั่นว่าเป็นสัตว์เป็บุคคลไม่ละอายตัวบ้างเหรอคิดอย่างนั้นที่นักปฏิบัติก็ขี้คนเลี้ยวๆแท้ๆงา่างกายของเรานี้ผสมด้วยธาตุน้ำลมก็ผ่านไปผ่านมาลมตามท้องฟ้ามีไหมทําไมจึงมาตื่นลมในละด่างกายของเราเพียงเท่านี้ไฟในเตาไฟก็มีบนฟ้าก็มีอากาศก็มีทําไมไม่ตื่นทําไมมาตื่นลม ในเพียงในตัวของเราเท่านี้โง่หมายมนุษย์ดาวลมก็รู้แล้วว่าเป็นนมไฟก็รู้แล้ ว, วเป็นไฟเดนก็รู้แล้วว่าเป็นดินน้ําก็รู้แล้ ว, วเป็นน้ําให้กิเลสมันหลอกทําไมของจริงมีอยู่ทําไมไม่อยู่มันว่าเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักใครชอบใจ อ, อังเด้มันเอาความจริงมาจากไหนมาหลอกทําไมจึงเชื่อ ดินก็รู้แล้วว่าดินน้ําดูแล้วว่าน้ําลมดูแล้วว่าลมไฟรู้แล้วว่าไฟยางปัญญาลงไปทําลายสิ่งจองมพรทั้งหลายซึ่งมันไม่มีมันเสกสรรปัญญาอกขึ้นมาให้ได้สติปัญญามีอยู่ช้าลงไปล้างลงไปมันจะได้เห็นความจริงภายในตัวของเราซึ่งเป็นก้อท้าท์แต่ละข้อละก้อนเท่านั้นมีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบภายใร่างกายสร้สางประจําอสัญญาพางร่างกายมีอยู่เท่านั้น เอาคำน่า จ, จิตลงตายถ้าอยากแะทราบตามคำที่กล่าวนี้จิตเมื่อมันยังไม่รู้ตัวมันย่อมยึดไปหมดอวัยวะทุกส่วนเป็นนอเป็นของเราแม้ที่สุดจิตกับกายที่เป็นอันเดียวกันเป็นความแน่วแน่ภายในจิตใจที่จิตชิเล็กิเล็มันบีบบังคับ ที่เวลาสติปัญญากระจายออกไปกระจายออไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามวิธีการของนักบวชเราในขั้นเดิมแรกไม่กว้างขวาง ม, มากมายอะไ ร, นะาารมากเช่นเจสามารมาณฑาตันตาตะจูนั่นแหละบอกเปิดออกท่านหมายความว่าอย่างไรเปิดออกดีออกดูที่ผมเป็นยังไงอ่ามนันผมตัวเส้นผมจริงมันวิเศษวิสสอะไรสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงเกิดมาจากสถานที่วิเศษวิสสอะไร เกิดมาจากฐานที่สกปรกสมมุมซึ่งเกิดมาจากธาตุอันเดียวกันธาตุดินบนที่ศาก็อธาตุดินผมออกมาก็อธาตุดินมันเกิดเป็นธาตุอันเดียวกันออกมาจากกันเท่านั้นตื่นมันว่าอะไรอีดนั่นขนก็เหมือนกันเล็บมันก็หอบอยู่ตามตามือปลายเท้าก็รู้กันอยู่แล้วว่าเล็บนะมันสวยมันงามที่ตรงไหนเพียงเล็บนะทําไมจริง ไ้เจ็จสันปตยอตื่นลมตื่นแรงหาเหตุาหาผลหาหลักหาเหตุไม่ได้แล้วเป็นผู้มีธรรมไรใจจับเข้าไปเจาเข้าไปให้ถึงความจริงอยู่แล้วกขาสักจะว่าเหล็กฟันฟันสิกกระดูอยู่ในปากของเราเนี่มันก็เต็มไปทั่วสารพันรงกายมีแต่กระดูกทั้งนั้นแล้วเปิดออกดูกด็หลูฟันฟันกระดูให้ชื่อว่าฟันก็เป็นอะไรก็เป็นข้าดิน หนังหุ้มหออยูน่นี้เอาเปิดออกถ้าหลบออกให้เห็นไ่นยังไงภายในมันเป็นสิ่งมีวิเศษวิโสมีคุณค่าสาละอะไรบ้างจึงไม่หลงเ อ, อนาน้่งหนาที่นยึดเ อ, อนานั่งหนาเต้นทุกความลําบากเพราะความฝืนความจริงไมไ่เป็นแตตามความจริงเมื่อฝื้นเชื่อไปตามที่เดือดทัศน์ไรก็ยิย่งก่อโผล่เอาทุกเผาเจ้ า, จาของตลอดเวลานี่แหละท่านเปิดสอนให้เปิดหาความจริง พอถึงหนังะนั้นก็ถ้ะจาปฎิยานโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยแก้ออกมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องกลางตาตัดโลกเมื่อถลกหนังออกแล้วหลงกันที่ไหนไม่ได้นิยมกันแม้กระทั่งว่าหญิงว่าชาเลยมองดูแล้วน่ากลัวน่าขยะขยะญยิ่งกว่าชาติอะไรโดยชาติมนุษย์ตานี้ตาตายเขาไม่กลัวผีมนุษย์ตานี้กลัวกันทั้งโลกเยจะว่ายังไง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 ชาบพาไวหรอกบุตรตาฝังเมื่อเปิดออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ท่านเปิดเ อ, อิดดูของปลอมมันว่าสวยว่างามนั่นอของปลอมแล้วเปิดลงไปแล้วมันงามไหมสวยใหม่แล้วดูเข้ามาในเนื้อในหนังเ็นกระดูกผับไปใส้พุงทุกขึ้นทุกอ่านมันเป็นอเดียวกันหมดล้วนแน้วตั้งแต่เป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างเหล่านี้เราสําคัญอะไร ว่ามันสวยมันงามมันน่ารักให้ชอบไใรปัญสติปัญญาอย่างลงไปตลบภพทวนหลายครั้งและผนให้เป็นที่เข้าใจญาณนี้จักหลักความจรินพิจารณาให้เห็นทัดปัญญาจะ้งอย่างลงไปอย่างไปเมื่อปัญญาเป็นที่แล้วเชื่อตัวเองได้อย่างเป็นที่การปล่อยวางไม่ต้องบอกอุปทานอืมฟังคือว่าอุปาทานความยึดมั่นยึดมั่นเพราะความหลงตังหา เมื่อความรู้ได้อย่างเข้าถึงไหนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนตัวออกทันทีเพราะนั้นเป็นผลของความหลวงต่างหาเมื่อได้ความรู้จริงเห็นจริงได้ยอย่างทราบปลายตรงไหนต้องความจอมจอมนั้นต้องทังทลายลงไปทังทลายลงไปผู้ปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่หนักหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ทังทลายลงไปตามๆกันนะพิจารณาอย่างนั้นเออดูสิกองทุก ไม่ใช่กองความสุขมันกองทุกข์ขันแต่ว่ากองแปลว่าหมดนี่แปลว่ากองแล้วกองตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นมาบนที่ศั์ก็คือกองทุกข์เต็มไปหมดถ้ามีหางก็จะเป็นทุกข์อีกมีเขาเหมือนสัตท์ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาอีกแต่นี้มนุษย์เรายังดีไม่มีหางไม่มีเขาจึงไม่เด็ดมีความทุกข์มากมีเพียงเท่านี้กระทุกขณะตอนที่เห็นอยู่แล้วนี่ อภิจนาลงไปนักปฏิบัตินี่แหละค้นหาความจริงต่อทั่วความจอมปลอมต่อทู่วโดยสติต่อทั่วโดยปัญญาพิจนายาคาดอยาหมายว่าจะได้สิ้นสุดวิมุติเมื่อไรตรงไหนที่มันหนาแน่นด้วความรุ่มความหลงความรักความชังความเปรี้ยความโกความสังวนเอาฟันลงไปตรงนั้นให้มันเห็นตามความจริงสิ่งวันนี้ก็จะพังทลายไปกันตามันจนหมดเมื่อเห็นชัดเจนภัยในร่างกายแล้ว ล้างไว้ไม่อยู่เรื่องอุปทานขาดสะบั้นเลยเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าใจนี้ได้ปล่อยวางแล้วซึ่งสกุลกายนี้แม้จะเป็นสกุลกายเจ้าของอันเก่านี้ก็าตามมันเป็นของเจของเพราะความสําคัญความยึดมั่นถือมั่นตัน้งหะพอความสําคัญมั่นหมายและความยึดมั่นถือมั่นเด็ทางทลาไปเพราะความจริงทำํำลายแล้ว เท่านั้นแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่สําคัญมันหมายว่า น, นี้เป็นเรานี่เป็นของเราต่างอันต่างกินอยู่ตามสภาพาของตัวเองถอนมีส่วนส่วนหยาบเมื่อเข้าถึงส่วนหยานี้แล้วทําไมจะไม่เข้าถึงส่วนละเอียดได้สติปัญญาอันเดียวกันเหมือนอย่างไฟได้เชื้อไม่ว่าจะไม่ว่าจะเชืออ้อหยาบเชื้อละเอียดใครจะไหม้ได้หมดอะต้นดุงต้นยางก็ไหม้ได้เผาลงไปเป็นเท้าเป็นฐานได้ แต่ลำเล็กลำน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเผาไปได้หมดไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นผาเป็นตามประหมดไม่มีใดเหลือไม่ใครไม่ได้กลัวอะไรเลยนี่สติปัญญากมเหมือนกันไม่ได้กลัวว่าอันใดหยาบอันใดหนักนั่นจะปลอมขนาดไหนปัญญาไม่ได้กลัวเอาให้ถึงความจริงความจริงพังทะลุไปหมดส่วนหยาบ ก, ก็พังทะลุทั่วถึงไปหมดด้วยความจริงบ้างล้วนเอาส่วนละเอียด มันจะหนีปัญญาไปได้หรือเพราะมันเป็นเชื่อไปอยู่แล้วนั่นมันจะต้องไห้ตามเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์ที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นทุกข์เป็นถูกลําบากลําบนอะไรก็แล้วแต่มันว่าอย่างถึงใจแต่ก่อนเนาะปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกลงไปย่างลงไปสุดท้ายสัญญาก็สับแต่ว่าความจาสังขานก็สับแต่ว่าความปรุงเท่านั้นแยกออกมาจากจิตเป็นกระแสของจิตแต่ไม่ใช่จิตนะ่ นั้นก็รู้ได้ชัดยังเข้าไปสัญญาทั้งขาหมุนอย่างเป็นอาการแต่และอย่างละอย่างเพียงเท่านั้นไปคุตตัฏธรรมแต่แก่สติปัญญาลุกร้างเข้าไปลุกรางเข้าไปไหมเข้าไปเผาเข้าไปหดเข้าไปย่น เ, ปนเข้าไปร้อนถึงอภิชชาปัตยยาสังฆาราซึ่งเป็นตัวสำคัญและละเอียดก่อนมากสลากแหลมคมมากแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ทันสมัยไปได้ ต่อเข้าไปพังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวิชาปัจจยาเ้าอาวิชาจะพังหรือใจจะผังก็ให้พังอืฟาดจนลงไปที่อวิชาปัจจยาอยู่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงรู้ฟันลงไปที่ตรงรู้เผาลงไปที่ตรงรู้เอาความรู้นี้เวลาอวิชานดับไปแล้วความรู้นี้จะดับไปตามๆกันก็เอาดับ น, นะสามารถมีอะไรเหลือเอาถ้าสมมุติว่าอาวิชาดับไปใจนี้จะสิ้นสุดไปเลยเพราะ สติปัญญาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่เพื่อใจตรงนี้ได้เป็นผู้ทําลายใจจนกลายเป็นใจที่ขี้ผายตะโกงตกับววิชาก็ให้รู้สิหนักปฏิบัติ <S <S 2> <S 2> แต่สุดท้ายไม่เป็นเช่นนั้นอันใดที่ปลอมอ น, นั้นพังหมดนะอวิชชาปริญาปลอมอยู่ภายในใจไม่ใช่ตัวใจจริงเป็นกาปากกับจิตกับใจอยู่ในนั้น <S <S 2> <S 2> เหมือนกับกาปากที่ติดอยู่กับกิ่งไม้แล้วดูดซึมเอา ไม้ทั้งหลายนั้นแนะ่ะเข้าปเป็นอาหารของตนนี่ก็เหมือนการมันกอดมือที่จิตมันดูดเอาจิตเที่ยวจิตนั่นแหละกินอยู่ตลอดเวลาเมื่อพังอวิชชาลงไปแล้วของของปรอมพังของกิงคือใจพังได้อย่างไรนั่นแหละพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นที่อย่างนี้แล้วอา้าวที่นี่มองดูที่เหลือ จะสรุสังเวชน้ำตาร่วงทีเดียวโอ้ความคุกความภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เป็นยังไงและมาต้องพูดดึงอดีตที่ผ่านมาแล้วเป็นเอาหลักปัจจุบันคือพบชาติอนี้เป็นเครื่องยินดันเลยว่ามันเคยเป็นมากี่พบกี่ชาติแล้วเพราะวิชาเป็นสายโยงใหญ่ให้พาโตพาแก่พาเจ็บพาตายดีบาก คือดีทั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นมันทําให้สูงสูงต่ำต่ำหรือลุ่มดอนดไม่เป็นของแน่นอนไม่เป็นของสม่ําเสมอไม่เป็นสิ่งพิษตายใจได้เลยตายใจได้อย่างเดีเยวไม่มีสองก็คือฆ่าตัวกษระสับวัฏจักรอันเป็นทั่วสําคัญนี้ให้พักชิดหายไวตวงระจักใจเสียเท่านั้นเต็งที่ไว้ใจแต่ว่าร้อยเปอร์เ็นก็ร้อยว่าพันเปอร์เซ็นตก็พัน มาเต็มดวงใจก็แต็ไม่มีอะไรจะสงสัยนั่นการข่าที่เดชข่าอย่างนั้นเอยูท่ทีนี้เป็นยังไงเมื่อข่าที่เดชตัวลําบากลําบนตัวทุกตัวยากตั ว, ต ว, ตวทอแค้เหลวไหลอ่อนแอตัวโลเลโรกเลืหมดไปแล้วทีนี้มันโลเลไหมยยีิตรงนี้อ้าวจิตเป็นธรรมธรรเป็นจิตทั้งดวงแล้วโลเลไหมทอดแค่อ่อนแอไหมอืม เลี้ยวไหลหายไหมมีพังๆเผลอเผอใหมมีที่เกียดที่คลานไหม่ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะมันก็ทราบได้ชัดที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวมหาไัยเ<ๆ>มื่ออันนี้หมดไปแล้วโมมันจิตเหตุมันหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่นีนี่ตึ้งยาไปกังบน ยาไปคิดเป็นอารมณ์ว่าเป็นความยากความลําบากนั้นเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็คือเป็นผู้รักเป็นผู้กอดรักกิเลสตัวกิเดลดจะหลุดรอยกันเองเป็นผู้แสดากิเลส ย, ยิ่งกว่าธรรมถ้าเห็นความทุกข์ความลาบากในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเป็นของยากของลำบากไม่อยากทํำก็คือความรักกิเลสความรักมรรความรักกองทุกตั้งแต่ทุกย่อจนกระทั่งถึงฐานทัน์ทุกไม่มีวันจีดจางไม่มี ต้นสายปลายเถิดคือไม่มีต้นไม่มีปลายนั่นเองจะต้องเป็นผู้ได้แบกว่าในน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยม น, นี้ไปตลอดสาย <c oughs> ตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้นั่นเองถ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วยากลำบากก็เป็นเรื่องของยิเราให้ยากเอาจนกระทังมันหายยากีิเรศตายแล้วมันหายยากกันถี่นั่นแะ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 ที่จะให้หลุดให้พ้นไปผ่าเดียวความขี้เกียจที่ค้านหาหน้าทั้งหมดตั้งแต่กําลังดำเนินอยู่นี่แหละเราจะไปพูดถึงเรื่องขั้นมีมุดหลุดพ้นซึ่งเสร็จฐุลอะไรไปแล้วนั่นเลยทานการลบการชิงชัยกันไปแล้วนั้นในขนาดที่ลบพุ่งชิงชัยกันอยู่นี่เมื่อทำเยียมมากเยี่ยมหนาเหนือกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาแยีมได้เลยฮะ จมีแต่ทำละฟาดําลงแหลกแหลกแหลกแหลกเพลินในอัดในทำที่นี้เพลินในทำกับเพลินกับในขี้เด็ต่างกันอย่างไรก็รู้สุขในทำกับสุขที่เกิดขึ้นจากขี้เด็เอาเดือดมาเสียบปลายเด็ดต่างกันอย่างไรมันก็รู้เนี่ยนี่อาการปฏิบตัติต่างเป็นอย่างนั้นนักปฏิบตัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากมหาอุปหุที่ฝังอยู่ภายในจิตใจแน่น อัน่นเที่ยวไม่มีจิตใจดวงใดที่จะเบาบางจาบกิเลสแล้วถ้าไม่แก้ไม่ทำลักไม่ถอดไม่ถอ น, ไ ม, ถอนไม่พังทลายภาชนะกมันเกลือวิชาซึ่งแต่งอยู่ภายในจิตใจให้แหลกแตกอัจจาไปเสียเท่านั้นนั้นมีทางที่จะได้พ้นจากทุกข์เอาให้พ้นจากทุกข์โดยเอาทุกข์นั่นแหละบีบขั้นกิเลสนะกิเลสมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาเอาทุกข์บีบขั้นหัวมันลงไปเมื่อ เมื่อกิเลสมันแตกกระจายไปแตกกระจายงไปแล้วความว่าทุกข์พยาลําบากมันมั้งหมดตปเองเพราะมันเกิดขึ้นจากกิเลสต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมธรรมตั้งสร้างความทุกข์ให้คนที่ไหนไม่หมีไม่ว่าจะทําขั้นใดไม่เคยสร้างความทุกข์ความทรมาณความลาบากลำบนความมีอำนาจน้อยวัฒนาน้อยความทอดแท้เละไหให้คนเลยนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ก้าวขาออกได้ เราทราบอย่างถึงใจยนักปฏิบัติมันนี้ก็ได้เปิดเผยให้ฟังอย่างเต็มที่แล้วมันมีอยู่ด้กันทุกคนนั่นแหละทานมันไปนักถึงจะรู้ถ้ายังไม่ผ่านไม่รู้นี่ก็ยังดีได้ทราบได้ท ร, ทราบผลมันไว้ก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านมันก็ยังรู้มันด้วย ก, การแนะนำส่งสอนขอให้อาคากันเอาจริงเอาจังความยุติธรรมอย่างแท้จริงนั้นคือความบุญพ้นอย่างเดียวเท่านั้นเป็นยุติธรรมร้อยต่อเ็เป็นยุติธรรมเต็มดวง ถ้าลงกิเลสมันได้แสงอยู่แล้วหาความวุติธรรมไม่ได้มนุษย์เก่านี่เราพูดถึงทำขั้นสุ ด, ดยอดเป็นแค่นั้นมันแสงที่ตรงไหนไม่มีหลักความวุติธรรมมันจะต้องเองไปทางเรื่องจิตกิเลสเรื่องเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่กิเลสไม่ใช่เห็นแก่ธรรมความเห็นแก่ธรรมต้องสม่สมำเสมอเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นยังไงการปฏิบัติมา ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมาจนกรทั่งปัจนี้ทําไมจะไม่มีวิมีแบบถ้ามีท่าต่อสู้กันบ้างเฉพาอะอย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นต้องการมากอย่าลืมมันนี้พูดเสมอเป็นทําชิ้นเอกทีเดียวเรื่องปริยะเรื่องขันตินั้นหนุนเข้าไปสติปัญญาเราอย่าวังเอามักผลอิพานเอาวังความวิสัยวิโสจากอะไรนอกจากสติปัญญาที่จะให้เข้มข้นหมุน เ, เข้าไปท่าตรงไหนก็ที่เด็ดหลอกท่านตร ง, งนั้นแหละ มันแทรกอยู่ตลอดเวลานะคําพักเปลี่ยนแม้แต่ขณะติดมันก็แทกแทรกอยู่ตลอดขนาดกิเลสใ ช, ยยช้จะิตติดใช้เป็นปัญญาขนาดของกิเลสมันก็แทรกไปตามเพร่ไปตามเพราะมันแหลมคมมากไปพูดแล้วพูดแล้วเอาให้ทันมันสิย้อนหน้าย้อนหลังโต้ทบทว น, น, น, น, น, นมันก็ทันเองทันคนบัญญาของกิเลสเมื่อทันตรงไหนมันก็หมอกล่าไปลายมากล้าปลายลปลายล้ปลายจนกระทั่งเอาเหมอกล้าไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาหรอกอดูไหนก็อยู่ที่ การปพัฒนาให้ดูหัวใจตัวเองอย่าดูที่ไหนมากจะเห็นอะไรดีอะไรเด่นอะไรชั่วยิ่งกว่าใจที่มันแสดงความเด่นความชั่วดูปลาการจะแสดงความดีดูตรงนี้ใครชั่วก็ตามสู้เราชั่วไม่ได้สู้คิดดวงคิดออกไปชั่วไม่ได้ดูตรงไหน นี่อนักปฏิบัติต้องดูตัวของเราเองให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าต่างคนต่างดูอย่างนี้แล้วดูแล้วกันก็สงบด้วยนิเวศก็คอยหลุดลอยไปเรื่อยๆด้วยเพราะยิ่งจนเห็นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเดิมบำพาในจิตใจที่แสดงตัวออกมาให้รู้ด้วยสติเอื้อปัญญาอยู่โดยสม่ําเสมอก็แก้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีอะไรจะแก้แล้วอยู่ไหนก็อยู่สบายอ หาการแสดงคำเป็นเรืร่องส่วนตัวผู้ไปผู้ไปรู้สึกหน่อยฟังเพื่อเข้าใจพวกเราทุกองค์ทุกคนวิธีแก้กิเลสวิธีทำลายกิเลสตัณหา ท่านชีให้เห็นว่าทุกโทษนั่นน่ะไม่มีอะไรจะเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษเท่าเรื่องกิเลสตันหานัะจฉะนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจความหมายการปฏิบัติทำความเพียรจึงจะได้เข้าใจว่าไม่ได้ทำเพื่ออันอื่น ทำเพื่อแก้ทำเพื่อทำลายกิเลสทนาที่มีในใจนี่เท่านั้นเห็น่านเข้าใจการฟังการฝึกเอาวันนี้เห็นว่าพอจำควรเข่เวลาเลิกเพียยนในบทของใครของเราเอาพวกโยมเลิกไปก่อน <c oughs>